น่าซ้ำซักพอหนาให้เยอะนะฟังให้รู้แนวก็พอละก็เอาเวลาส่วนมากไปภาวนาเอาบางคนฟังซีดีหลวงพ่อฟังเป็นเครื่องอยู่ฟังแก้เครียดฟังแก้เซ็งฟังอะไรเงี้ยก็พอได้นะถ้าคิดว่าฟังไปเรื่อยแล้วจะบรรลุมาผลนิพพานผงไม่บรรลุหรอกต้องภาวนาเอานะ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 ทำสติปัฏฐานทำมิปั ส, สนาอะไรนะเป็นทางเดียวนะทางเดียวแต่ถ้าให้ตรงศัพท์จริงๆต้องใช้คําว่าทำมิปั ส, สนาในสติปัฏฐานเนี่ยมีสมถตาเจือปนอยู่สมมตฐานบางอย่างในสติปัฏฐานเป็นสมถติอย่างการพิจารณาร่างกายเป็นศพการพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลอะเนี่ยส่วนนี้เป็นสมถะการรู้ลมหายใจ เป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้การดูจิตมีจิตอยู่สองดวงจิตที่ไปรู้ความว่างกัจิตที่ไปรู้ความไม่มีอะไรสองดวงนี้ใช้ทําสมถะได้ส่วนใหญ่พอมาเจอคู่นี้แล้วก็จะไปติดสมถะละเงั้นสติปัฏฐานก็มีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาปนๆกันอารมณ์บางอย่างในสติปัฏฐานใช้ทําสมถะอย่างเดียวอารมณ์บางอย่าง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 จะกายไปการเพ่งมือเดินจงกรมไปเพ่งเท้าจะถึงรู้กายถึงรู้ใจนะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไปยากมากนะกว่าคนคนหนึ่งจะขึ้นวิปัสสนาได้พระที่มานี่บ่อยๆ อ, องค์หนึ่งท่านอนุสอ น, อนสอนลูกศิษย์หลวงพ่อทุยท่านอนุสอเอาหนังสือของหลวงพ่อไปให้หลวงพ่อทุยอ่านท่านก็อ่านๆ น, นนะแล้วท่านก็มาบอกว่าท่านเห็นด้วยทุกอย่างเลยท่านไม่เห็นด้วยอยู่ข้อเดียว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 พวกเรา呐เจดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีได้โสดาก็บุญแล้วล่ะนะแค่นั้นก็บุญแล้วอย่าโลภมากเลยนะอินรียเราอ่อนอินรียไม่อ่อนก็คงไม่มานั่งอยู่ตรงเนี้ยนแกหลวงพ่อหลวงพ่อก็พวกอินทรียอ่อนมีอยู่คราวนะไปวัดหลวงปู่สุวัฒนั้นเขาน้อยหลวงปู่ยังอยู่หลวงพ่อยังไม่ได้บวชออก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 หรือบางคนมันเป็นมิจฉาทิฏฐิโดยสายเลือดเป็นมิจฉาทิฏฐิข้ามภพข้ามชาติมาเรียนยังไงก็ไม่ได้หรอกทําไม่ได้ใจมันยอมรับความจริงสัมมาทิฏฐิไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนที่สมประกอบไม่ลําบากเกินไปหรอกนะการที่ได้เป็นมนุษย์ที่สมประกอบนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะพวกเรามีอยู่ล้วเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งกายทั้งใจแล้ะ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 การจเจริญสติเหมือนพายเรือทวนน้านะไม่ใช่พายเรืออยู่ในน้ํานิ่ง mm. เหมือนพายเรือทวนน้ําหยุดเมื่อไหร่ถอยเมื่อนั้นถอยไปใช่ไหะเดี๋ยวมีแรงมาพายใหม่พายมาถึงตรงนี้เอหมดแรงถอยไปอีกแล้วถยขึ้นถอยลงอยู่อย่างนี้นะหลายๆครั้งจะไม่มีแรงที่จะไปต่อละหมดเป็นหนึ่งชาติล้วงั้นต้องอดทนมากนะในการที่จะขยันพักเพียร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 นะทั้งพระที่นั่งหัตถบาททั้งอาจารย์นี่นะนั่งสัน่น <c oughs> จะกลิ้งลงไปแล้ว <c oughs> เราเนี่แข้งขาสั่นนะแต่ฟังภาพอยู่ว่าหน้าแดงไปหมดเลยนะโอ้ยฝืนพระท่านรีบสวดกันใหญ่อร <c oughs> <c oughs> <c oughs> อดออกมาได้ยันไม่ได้เก่งนะแต่อดทนเรียนอย่างหลวงพ่อต้องอดทนนะอดทนแล้วก็ช่างสังเกตหลวงพ่อผ่านมาด้วยสองวิธีนี้นะอดทน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 โอดทนมากเลยในการดูตัวเองตอนเด็กๆพ่อพาไปหาท่านพ่อหลีวัดอโศกรัมะท่านสอนให้ทำสมร tha ปีศูนย์สองท่านสอนให้ทำสมร tha หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับหนึ่งนี้ยนับไปถึงเก้าถึงสนะิบแล้วก็นับถอยหลังลงมาถึงแปดถึงเถึงหกอะไรเงี้ยหลวงพ่อนับเราโอ้เราเด็กเล็กนะนับเลขอย่างนี้นับยาก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 พอถ่ายได้สบายใจเนี่ยดูนะันไม่มีลาเว้นเลยนะใครอย่ามาสั่งมาสอนนะบอกว่าอยู่ในซ่วมห้ามทำกรรมฐานบาปกรรมเนี่ยความคิดของเดลทีแท้ๆเลย <Yes. S 1> เวลาที่จเจริญสติเนี่ยอย่าให้ขาดวักขาดตอนขึ้นรถเมย์ไปทำงานนะันเดินออกจากบ้านก็รู้สึกตัวไปไปรอรถเมย์อยู่ก็รู้ทันใจของเราไปรถไม่มากังวลรู้ว่ากังวลรถมาแล้วดีใจรู้ว่าดีใจดีใจแล้วขึ้นไม่ได้ผิดหวงังรู้ว่าผิดหวงัง เห็นความกระบวนกระวายที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นกลัวไปทำงานไม่ทันเห็นรถว่างมาดีใจรถว่างไม่จอดไปนี่โกรธละแอบด่าพ่อด่าแม่มนในใจนแล้วก็รู้ทันตัวเองไปเลยฝึกยืนนี้นไปถึงที่ทำงา น, นได้ยินมาว่าวันนี้หัวหน้ากองไม่อยู่ยปื้มมากวันนี้พรากฏพอเปิดห้องเข้าไปเจ้าเอา๋ออ้าวหนีประชุมที่อื่นมานใจเราเหี่ยวลงไปนิดนึงแต่เราก็ยิ้มไม้ม ใจเรานี้ฝ่อไปเลยวันไหนแกมาแล้วทางานได้น้อยวันไหนแกไม่มาทํางานได้เยอะแกเรียกด้วยเนี่ยดูอย่างนี้นะดูตลอดทํางานตั้งใจจะรีบทํางานให้เสร็จเร็วๆโทรศัพท์มาอีกล้เดี๋ยวก็คลิ้งเดี๋ยวก็คลิ้งโมโหรั่วโมโหแอบขยับไว้เออมันเงียบได้หนึ่งหรือทํางานไปนะใจคิดแต่เรื่องงานคิดชั่วโมงหนึ่งได้ล้ว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 หมายถึงว่าสภาวะใดๆก็เสมอภาคกันใจเราจะไม่แ่งขึ้นแ่งลงใจจะเป็นกลางกับทุกสภาวะนะ่คอยดูกายคอยดูใจไปนะไม่ได้เหลือวิสัยดอกตอนหลวงพ่อบวชได้ห้าพรรษาตอนนั้นตั้งใจไว้ไม่ห้าพรรษานี่ยังไม่ไปหาครูบาอาจารย์องค์หนึ่งต้องสักห้าปีกวอนค่อยไปหาที่ไม่ไปหาบ่อยกลัวท่านเร่งเร่งยิกยก ย, กยกฟังแล้วเหนื่อย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 ไม่โง่นะคารวานไม่ได้โง่กว่าพระ ห, ะหรอกภาวนานะจับหลักได้ตีไม่ดีเร็วกว่าพระยาเว้นพระพวกนี้นะพวกนี้พระจีนเนี่ยฉลาดจงกระทั่งพอนายาก <c oughs> คิดมาก น, <c oughs> นิยมยมเรียนรู้เนี่ยยมเรียนได้เร็วแต่ยมไม่ต่อเนื่องหรอกยมพร้อมจะทิ้งการปฏิบัตินะไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วว่างๆจะมาทำใหม่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 งั้นอย่าเอาเวลว่าไม่มีเวลามาพูดนะห <c oughs> ลวงพ่อเคยอ่านประวัติหลวงพ่อกเกษมเขียมโกมีคราวหนึ่งในหลวงคุยกับท่านในหลวงเล่าบอกว่าผมงานเยอะในหลวงงานเยอะเราคงไม่ question ใช่ไหมบอผมงานเยอะนะแต่ผมแบ่งซอยชีวิตของตัวเองเป็นช่วงเล็กๆงั้นท่านมีเวลาเหลือสองนาทีสามนาทีท่านดูท่านดูของเราถ้ามีเวลาเหลือสักสิบนาทีเราจะโยนทิง้ง